من ف ا ن ج ي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ว่าจะเลิَ ا ุ้มَนอันงามสามัญญาตาอั يَخْلُقُكُمْ ِ้ฟีบุคุณิ أُمَّهَاتِكُمْ خلق من بعد خلق في زلومات ا ل َ ا ة ا ذ َ ل ك م ُ الله ربكم. ลาวุลม ل ลกุล ل ฮิลาฮิ فأنا تصفون إن تفروا فإن นบออาวะนิยَุงวะนิยุ่งนั่งกุมวะลายาบาะล ت ش ك ر و ُ ي َ و ْ ب ا ه ل ك م و ل ا ت ذ ر و ا ه ُ آ ث ر ة و َ ر َ ا خ ر ى ث م ِ ل ى ر ب ك م ر ب ع ك م วَาอุนับบิรุกุมบีมาคุณตุมตั้มมาลุนอินน้าอูอาลิมุบีญาตِสุดูรَว่าอีดะม ส a ลอินซ n นับอรุณ a ะรับมูนิบันอิไลซุมไอร่าขาวะลาหูนิฮามะตัมมิ นั่นเสียมาเกณัยเจ้อิละอิฮินฟาบโลวะจ้าลิลลาฮอันดาดาลิยูดลลันซบลี قلت م َ تعبك ف ر ك َ قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو ق ا ن آ ن َ ا الليل سجدة سجدة و ق ا ي م ا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ والذين لا يعلمون إنما يتذكر أول الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. อินะล hamdulillah نحمد الله و ن س ت ع ل ن ه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سعيات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله و د ه لا شريك له و ش ه محمدًا عبده و ر س و ل اللهم ب ي ك أ ص ب ح ن ا وبيك أ م ز ي ئ ن وبيك نحيا وبيك نامود وإليك النشور أعوذ بك لما كلاه ل ه ا م ا كمن شري ما خ ل ق ك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم ر ض ي بالله رب ا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 ฟิตร์ติลอิสลาม وعلى كلمة الإخلاص وعلى د النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم خنيفًا م س ل م ا و, و م ا ر ن ه ا من ا ل م ش ر ِ ي ن سبحان الله ب ي حمده ع ج د خلقه ورضا نفسي ولين تعبشه وبيجده كلماته اللهم ف ا, أ, إ, إ ت fa t u r ا s ma'ati wal a r g h ا ل i m al ghaybi wal ك h a h a ه a Rabbi kulli shayi wa malikeh a s h a ك u alla ila illa anta a u ر u b i k a min sharri nafsi wa sharri s h a y f a n لا إله إلا الله وحده لا شريك له เขาผู uh ah d, al ้มุลกวะและผู้ละฮ ل มด์และผู้ละฮั ل ด์และผู้ละฮั ل ด์และผู้ละฮัมด์และผู้ละฮัมด์และผู้ละฮัม ي ์และผู้ละฮัมด์ ا ل ะผู้ละฮัมด์และผู้ละฮัมด์และผู้ละฮัมด์และผู้ละฮ้ละฮัมด์แมดมด์และฮ์และมัมด์ด อนุราชสุนทรนะครับและพี่น้องที่ติดตามรายการที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับและพี่น้องที่นั่งอยู่ที่ตลาดในช่วงโควิดนี้พี่น้องต้องระวังตัวหน่อย <c oughs> การระวังตัวเนี่ยเป็นศาสนาครัท่านนาบีนี่สั่งเอาไว้หนึ่งพันสรอย 1, ปีว่า พอโรคระบาดในสมัยนบีก็มีไม่ใช่ไม่มีนบีสั่งบอกว่าให้อยู่ที่บ้านให้กักตัวอยู่ที่บ้านกักตัวนี้ต้องนึกซอบิรนต้องด้วยความอดทนวัฒนชุบันแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์อย่าวังจากคนอื่นหวังจากอัลลอ์แล้วก็คนที่รู้ข่าว บ่มีโรคระบาดเนี่ยถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อเรามองโรคโควิดเนี่ยมองโรคระบาดเนี่ยเป็นรักษาแต่นบีเล่าเองว่าโรคระบาดนี้เป็นอาญาเป็นการทรมารเป็นการลงโทษชนิดหนึ่งผู้ที่อลัลลอฮ์ทรงประสงค์คนนั้นแหละแต่สําหรับผู้ศรัทธาต่อเราเนี่ยถ้าใครเป็นโรคนี้แล้วก็เสียชีวิตไป เขาผลลบุญเท่ากับตายชาดกหฮัมดยเด็ลาดนั่นโมมินอยู่บนโลกดุนยาไนี้เนี่ยไม่ว่าจะพบกับเรื่องดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องพอใจต่อรอเสมอไอ้มุสีบาต่างๆแบบนี้เรียกว่ามุสีบานาะที่คลานมาหาเราเนี่ย่ใช่มาเองนะไม่ใช่มาเองใครส่งมาเลาส่งมาเราต้องนึก ต้องนึกตลอดเวลาว่าทั้งหมดนี้โดยการบริหารงานของอัลลอฮ์แจกเพียงผู้เดียวโลกบนี้นะครับขอบคุณอัลลอ์นะครับเรานี่ขึ้นสุราะใหม่นะสุราะอัซูมาร์อะซมาร์ที่แปลว่าอะไรแนะปลว่ามมคนะชื่อว่ามมคนะเนี่ยในวันเกียม์มาเนี่ยในทูน ม, า, มาชาจะมีแค่สองกลุ่มเท่านั้นแหละ Manusia, zuma rohnya, senwasi kalau di nak kafiru ilajahan nama zuma roh, rumah ni berarti muhanna, kon kafirku, yang berarti akan terjebak dalam neraka. บรรดาผู้สำรวมตนจากความชั่วต่อพระพวกอภิบาลของพวกเขาทั้งหลายจะถูกนำสู่สวรรค์เป็นหมู่หมู่สองกลุ่มจากฟูรารสุมาตอนไทยไทากับฟร์เนี่ยอธิบายไว้ก็ลงว่าในทุ่งมาชาดเนี่ยในวันเกียรม้าเนี่ยมีคนอยู่แค่สองกลุ่มตอนนั้นแหละกลุ่มผู้ศรัทธาต่อลองจะถูก นำนม่ใช่ต้อนนำไปสู่สวรรค์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้ไร้ศรัทธาปฏิเสธ a ลล a h ปฏิเสธนบีม u h ั m ปฏิเสธสุนนะนบีนี่นี้จะถูกต้อนไปนรกเป็นรุมัรเป็นหมู่มูเหมือนกันก็นี่เันเรื่องอนาคตเราเชื่อไหมเราเชื่อครับ คนที่ไม่เชื่ออะไรกว่คนกาเฟรเอาวันนี้เรามามาถึงอายาที่หกนะครับอายาที่ห้าของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเล่าให้ฟังว่าคลกคสมาวาติ่วาอัลอบิลฮักที่อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินไม่ให้มนุษย์เหนื่อยเลยอ่าเข้าใจนะมนุษย์ไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องการ สร้างชันฟ้าแถนดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนแม้แต่ต้นไม้แม่น้ำภูเขาอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาด้อเนื่อยนี่เล่าให้ฟังนี่ยังไม่เชื่อกันเลยไม่ต้องเหนื่อยแต่มนุษย์เหนื่อยอะไรอ่ะเหนื่อยประคองตัวเองอย่าให้ตกนรกเพราะนั้นแ่ะแล้วก็ประคองตัวเองไม่ให้ตกนร ก, อ, กอัลลอฮ์ก็เมตตาเองน่ะ ถ้าให้สติปัญญาของมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนคิดกันไปนะมันก็คิดคันละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างโดยเหตุ น, นี้เราก็ เ, กเมตตาสนะ่งนบีมาบนโลกเนี้มาเป็นมาเป็นคนสอนมาเป็นคนแนะนำมาอธิบายมาเป็นแยอย่างที่ส่งมาในโลกนี้นหะนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันกว่าคนนะ แล้วก็คนสุดท้ายนาบีมุฮัมมัดนะแล้วก็แบบอย่างของนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นแบบอย่างจนกว่าจะถึงวันเกียร์มากเลยนะ <c oughs> อยู่รูปแบบเดียวนบีมุฮัมมัด <c oughs> นัลลปลอดไทยน <c oughs> ใครที่เชื่อนบีมุฮัมมัดแล้วก็เชื่ออัลลอฮ์เชื่อนบีแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบคือซาบักท่านนาบีได้ที่ปฏิบัติตามนาบีได้ไปสวรรค์หมดนี่นะ เราก็เดินตามนั่นแหละในวันเกียร์มากก็จะถูกนำสู่อะไรนะสู่สวรรค์เอาวันนี้มาอายะที่ <c oughs> อายะที่ห้านะที่หกครับข้อละก็กล ม, มินนับสิว่วหิดะซุ่มมัจจาดมินเฮจาวยา وَأَزَلَ ل َ ك ُ م مِنَ الْأَنْعَامِ س َ م َ ا ن ِ الْأَزْوَاجِ ي َ خ ُ ل ُ و ك ُ م فِي بُطُونِ أ م م َ ت ك ُ م خَلْقًا م ِ ن بَعْدِ خَلْقٍ ف ي ا ل ُ م َ ا ت ِ ل س َ ا د َ س ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فإن تصرفون خلقكم من ن ف س واحدة ثم جعل منها زوجها و َ أ َ ذ َ ل َ ك ُ م ْ مِنَ الْأَنْعَامِ س َ م َ ن ِ ي َ ت َ أ ز و ا ج يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أ ُ م َ م خ َ ل ق ٌ مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظ ُ ل ُ م َ ا ت َ س ل َ س ذلك ุมอัลลอฮฺรับุ له المل لا إله إلا هو فأنا تصرفون ฮามดุลิลลอฮฺขอบคุณอัลลอฮฺนี ي ยิ่งใหญ่ะอมาดูสับขลกอแปลว่าลกอกุม สร้างสูเจ้าใครสร้างนึกเองเอลัลลอฮ์สร้างนะขอแล้วก็กรุมอลัลลอฮ์สร้างสูเจ้ามินับสิน้นมินเป็ว่าจากนับสิ้นแป็นว่าชีวิตจากจากชีวิตหนึ่งคืออาดัมนั่นแหละอ่าต้องการจะเตือนเตือนเตือนเตือ น, เ ต, อนเตือนนบีด้วยเตือนพวกเราที่อันกุรานด้วย นับสิว่าให้ตาตินหนึ่งชีวิตหนึ่งคือสูเจ้าเนี่ยมาจากคนคนหนึ่งคนนั้นเป็นที่รู้แล้วชื่ออะไรอาดัมพ่อมีไหมไม่มีแม่มีไหมไม่มีนี่การสร้างของอลัลละ์น่าจะเป็นพระเจ้านะแ ต, แต่ไม่ได้เป็นร้องลงมา การสร้างอัลลอฮ์มีอยู่สี่แบบแบบที่หนึ่งไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ผ่านพ่อไม่ผ่านแม่คืออาดัมสองโตฮาวะพญานาบีอาดัมผ่านพ่อไม่ผ่านแม่น่าจะเป็นพระเจ้านะแต่ไม่จะเป็นประเภทที่สามเนี่ยสร้างนาบีอิสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อดันเป็นพระเจ้า นี่ถ้าไม่มีอิสลามกํากับชีวิตนะพวกเราประกาศน บ, บีอีสาเหมือนกันนะแต่ทมดุลิลางีปลอดภัย <laughs> น บ, บีนมาสั่งนะอยา่าอย่ามองฉันอย่าเคารพฉันเกินหน้าเหมือนน บ, บีอิสาอะไรอิสลามน บ, บีอิสารื่บัตรมาตมําแห่งเดียวกันมาเป็นน บ, บีมาเป็นรอซูล ถยกย่อมนามบีเกินไปมันก็กลายเป็นนาบีสีซางการเป็นพระเจ้าไปแล้วการเป็นลูกอลัลลอ์ไปแล้วนักผิดไม่ผิดครับอัลล์เอาเรื่องนะต่บนดวานนี่อยู่ไปอยู่ไปเพ้อัลลอฮ์ไม่ว่าอะไรเอาไปเ อ, เอาไปโลกเดียวพอแล้วก็สร้างพวกเราวันนี้นมี ท, าทาม่านพ่อจแนงถ้าแต่งงานมีผลบุญถ้าไม่แต่งเองเจออย่างนี้เป็นต้น ตัวเา ม, น, มนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์าสาาร้างมาเล่าในคัมภีร์อักุรอานเดียเด๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าเล่าเรื่อยใช่ไหมคอยละกุมมินนัฟซิวาฮิดะพระองค์ได้ทรงสร้างสูเจ้าจากอินทียหนึ่งหรือจากชีวิตหนึ่งและก็สุมมาจาลามินฮาเาวจาฮะ ها. และจาก และโครงสร้างมิงหะจากจากอินทรีนั้นจากชนิดนั้นนั่นแหละก็คืออาดัมนั่นแหละมิหาาะเจาญาคู่ของมันอ่าเจ้าแว่าภรรยาของเขาคู่ของเขาเราก็ทราบแล้วใช่ไหมเป็นที่เข้าใจกันนะ่ะอเลาให้อาดัมมาคนเดียวก็เงาใช่ไหมเออมีคนถามว่าอาดัมกับโตฮาวนาใครเปคนแต่ง อ่าใครแต่งตเท้าสิ a l ล a h แต่งให้อแล้วมหัศใช่อะไรมหัศคือให้กล่าวคำนี้ละอิละฮิลล uh ul ัลลอฮ์มุฮัมมัดรสไอไหมมุฮัมมัดยังไม่ได้เกิดเลยนะแต่มีชื่อ ม, มุ hammad โผล่มาแล้วละอิละฮิลลัลฮินบี อาดามกล่าวนะเลออิเลฮะอิลลลอฮมุฮัมมัดสุลลุลลอฮนี่เป็นมหาอัลลอฮ์จัดนะนี่เล่าผ่านมาคำทูลเลอทูลาการในการเนี่ต้องมีมหาดไหมต้องมีครับพบม็มีผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยนบีเนี่ยน บ, บีถามว่าต้องการอะไรมหาฉันต้องการสอนกุรอานให้ฉันท่านนี่น เ, เป็นมหาดอะไรจากนี้เป็นต้น แต่ที่พวกเราก็ไม่เอาเอาคัมภีร์ไปเล่มมาให้อันนี้ทําเกินนบีไปเอาไ ม, ไม่แตะไม่แตะขอแล้วก็กุมมินอฟซิวะฮิดะแล้วพระองค์ได้ทรงสร้างสุเจ้าจากชีวิตหนึ่งซุมมาจาละมินเฮรูยาเฮและจากชีวิตนั้นพระองค์ได้ทรงสร้าง นะครับให้เป็นคู่อัลลอฮหุอาเงานะผมมีสองคนเงาไหมไม่เงาเราจะทำดีแต่้องทำให้ถูกต้องดูยนะข้อที่สามวันซาดารกุมและเราได้ประทานลงมามละกุมให้แก่สุชาไม่ให้เหนื่อยเลยไม่ให้มนุษย์มานั่งเหนื่อยแล้ว เล่าให้ฟังใ น, นกระบื้่งโบราณว่าอังสะาลักกุมเราได้ประทานให้แก่สูเจ้าประทานอะไรครับมีนลอนามประสุสัตสัตป ร, ป ร, ป, รประทานสัตว์ลงมาจากไหนเนี่ยก็ชั้นฟ้านะบางคนก็ว่าอธิบายบอกว่าเอออมาจากสวรรค์เลยนะอ่า สามาันิยแปดอสวายันคู่แปดคู่ประทานสัตว์ลงมาจากอ oh. ัลลอะแปดคู่นี่เล่าให้ฟังไม่ต้องประกาศสัตว์ทำไมต้องส่งสัตว์มาละ่ะก็ช่วยดูแลมนุษย์ไงมนุษย์หาประโยชน์จากสัตว์ได้ ไม่ได้บอกว่าอะไรแต่นบีอธิบายอุลามะอธิบายสัตว์มีอยู่แตกตัวเป็นคู่คู่คู่คู่สี่คู่ด้วยกันอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งให้แพะมาตัวผู้ตัวเมียแพะสองแกะเป็นผู้เป็นตัวผู้ตัวเมียสามปู สี่วัวไอ้มาสี่เห็นไหมนี่เล่าให้ฟังเลยนะครับแล้มาให้นบีอธิบายอ่ะเล่าว่าเราได้ประทานสัตว์ปัสุสัตว์แปดตัวแตัวก็จะแปตัวเป็นคู่คู่อ่าเป็นตัวผู้ตัวเมียอัลลอฮฺเนสบ่าใจได้ไหม นี่ยเราเมตตาคนกันลนาดหนเห็นไนะหมไหสัตว์นางสี่สี่ประการควายไม่มีเลยนะหนึ่งแพะสองแกะสามูดสี่วัวเนี่ยร้องให้เราก็ยังมีบางบางบางประเทศกราบกราบวัวมีเปล่าประเทศไหนอินเดียครับผมอยู่อินเดียมาผมรู้ แล้วก็วัวเนี่ยเดินมาที่ตลาดเนี่ยพอ่ออ่าอยกพอ่อมันเขาก็เรียกแม่อย่ามากินยาฉันอย่ามากินอะไรนะของที่ขายในตลาดนะอยา ก, กินอยา ก, กินเกาไปตีได้นะถากถากออกไปพราะเขากราบกันอยู่มเห็นไม่มอย่างนี่เป็นต้นเนีเราเป็นมุสลิมเราอ่านกุรานจากจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เดินไปตลาดไปเจอโอ้โหอยู่กป็นอย่างนี้เลยนะไม่เป็นไร สอนไม่ได้ด้วยมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นเห็นบนโลกนี้เห็นเยอะมันมีวัญหา น, นบีก็มาสอนเรื่องนี้ถูกรงว่าด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อัลล์ส่งสัตว์มามนุษย์ไม่ต้องเหนื่อยเลยเหนื่อยอย่างเดียวเหนื่อยนมาดเหนื่อยอ่านคุรานเหนื่อยบริจาคเหนื่อยวิครุลละเหนื่อยขอความจากอัลลอฮ์ เหนื่อยติดต่อกับเครือญาติตัวเองเหนื่อยกับการดูแลภรรยาดูแลลูกเหนื่อยกับการให้อภัยนุ่นตามที่ท่านอ บ, บีสอนได้ให้รู้แบบว่าเหนื่อยกับเรื่องนั้นไม่ต้องเปเหนื่อยเรื่องนี้เนี่ยร้อนเล่าให้ฟังให้สัตว์มากี่ชนิดนะสี่ชนิดเป็นคู่คู่เป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรบ้างพูดมาแพะสองแกะสามอูดสี่วัว ลราคนที่ได้แพ้ได้แก่ไปลราหลงมีไหมมีใครรู้บ้าในสมัยนบีท่านซาลาบ ะ, ะจะว่าซาบาก่อน่าเกลียดเพราะว่าตอนหลังนี่เป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมุนาฟิกมานมากับท่านนาบีทุวันทุวันทุวันทุวันแล้วก็มามานั่งริมนบีโอ้รอส่วของอัลลอฮ์ขอดุทิท่านขอรุทจากอัลลอฮ์ให้ฉันรวยไหมสิ นบีว่าอยู่อย่างนี้ละนบีคงจะรู้นะถ้ามันมีแพะมากกว่านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนนิสัยออนวอนนบีหลายครัง้งเบีว่อ้าวอาขอให้พอนบีขอดุอาให้ภาพเนี่ยซานละบ้า น, น, นมีอาชีพเลี้ยงแพะนะแพะมันก็เพิ่มขึ้ น, นอ่ะออักบัสเพิ่มจากอะไรที่แรกมันไม่อยู่ ไม่กี่ตัวเนี่ยกลายเป็นร้อยตัวสองรอยตัวสามร้อยตัวสี่ร้อยตัวห้าร้อยตัวหกเป็นพันเสร็จแล้วก็พอแพ่มันเยอะขึ้นอยู่ในเมืองไม่ได้เนี่ยมันต้องอพยพมาย้ายไปอยู่ขยายไปอยู่ข้างนอกบา้านข้างนอ ก, านอกบางหางแล้วก็ที่มานมากระท่านนาบีน่ะอย่างนมาสุบโบเนี่ยนมาท่าเวลาเนี่ยมันก็เริ่มหายอ่ะนบีถามว่าซาละบ้านไปไหนบอกอยู่กับแพ่ พออยู่พป อ, อยู่ไปแพะเยอะขึ้นเอาแพะไปเลี้ยงข้างนอกนูเลยนะสลรบ้านใปไหนวันศุกร์วัุกไม่เห็นมาอยู่กับแพะเห็นไหมอลัลลอฮฺให้แพะ ม, ม้าทำให้คนหลมแพะยงกระถางลืมอลัลลอฮฺมีเป่าแต่วันนี้มีไหมเต็ไมไปหมดเลยนะหลงเมียหลมบ้านหลงที่ดินหลมอูดหลมสวนอลัลลอฮฺให้ดิสกีมาแทนที่จะขอบคุณอลัลลอฮฺนู้ถึงอลัลลอฮฺเยอะเยะ ลืมเอาหและพูดยังไงรำไมพูดแบบกอรูณ่ะนี่เป็นความสามารถของฉันเองฉันสามารถผสมแผนผสมแล้นะผสมพันแพะเป็นคู่คู่ออกมาฉันเก่งหน้าดูสยูตตอนล่ามีหมัหยไม่มีแล้วนี่ไงถึงอันเาได้เตือนนะเ ร, รื่อเดือนกราคให้พวกเราไปสอนด้วยนะยากอย่น้องเรามีไหมตัวเราเองบ้างหรือเปล่า เวลาำม่นู่นมีนี่ับลืมเอาล้อแต่ลืมเอาล้อเนี่ยเอาล้อไม่ลงโทษบนดุนยาสังเกตมเอาล้อไม่ลงโทษบนดุนยาแต่ลงโทษตอนไหนก็อายาสุดท้ายของสุรคซอดเ่ยว่าไง <c oughs> จำได้ปะอะไรลาตาอัลอลาตาลมุนนะ นบะฮูบาดะฮินหลังจากวิญญาณออกจากร่างคุณจะรู้ว่าการไม่เอา Allah, เอาัลลอฮ์ไม่เอารอสูลไม่เอานบี ม, ม, มุฮัมมัดไม่เอาสุนัตนบีมาใช้รูปแบบของนบีไม่เอามาใช้นะทิ้งหมดเลยนะเพราะแพะ้พอแก่เพราะอะไรก็ตามแต่ก็พินาศหมดเลยนะแล้วเสียใจด้วยขอร้องมลาเลยกับ ให้กลับมามีชีวิตแบบบุตรุญยารอให้ปาไม่ให้แล้วนะครับเอาต่อมาครับยักษลูกกุมฟีบุตรปุณิยุมาติุมพอเล่าเรื่องเรื่องสัตว์เสร็จแล้วก็เล่าว่าอัลลอฮ์สร้างสูเจ้ามาเนี่ยมาจากไหนยัก um, ลูกกุมอัลลอฮ์สร้างสูเจ้ามาเนี่ยอยู่ในท้องของมานดาไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ ไม่มีทางบุตูนแปลว่าท้องมาจากบัตตนุนบัตนานีบุตูนแปลว่าในคันในตั้ในท้องหรือในคันอุหมหาดแปลว่ามารดาของสูเจ้าฉะนั้นมนุษย์ที่จะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้มีอยู่ทางเดียววิธีเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้มีอยู่กี่ทางทางเดียว รู้ไม่ผ่านอะไรผ่านทองมะตัวเองอย่างอื่นไม่มีครับยะฮูดีมันก็วางแผนจะทำโน่นทำนี่ตังเยอะทำไม่สาเร็จครับเพราะอัลลอสัญญานังภีร์กุรอานและเป็นเรื่องจริงยาคลรูกูกลุมอัลลอสร้างสู่เจ้าทั้งหลายมานิพานอะไรฟรีบูตูนอยู่ในคันอุมมาฮิติกุมแม่ของสู่เจ้ามารดาของสู่เจ้าอธิบายยังไง คนจะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เมื่อก่อนนี้ไม่มีใช่มหมต้องผ่านคันมานดาทำกิฟต์อยู่ในหลอดแก้วผสมผสมเสร็จแล้วต้องเอาไว้นะหมดลูกอย่ า, าไว้เลยยาูดีมันไม่อยากจะอไว้หรอกมันจะได้มีทหารเยอะมาเข็นข้าวทุสธาตแห้วทำสำเร็จั้ยไม่สำเร็จครับกัวลงว่า วิธีที่จะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ผ่านใครผ่านแม่ฉะนั้นอย่าทะเลาะ ก, กับแม่ตัวเองอย่าดาแม่ตัวเองอย่าพาดาพ่ออย่าทะเลาะ ก, กับครอบครัวคนที่ให้เกียรติพ่อแม่เนี่ยล้อให้ให้ให้เจริญหมดเลยแล้วให้ไปสวรรค์ด้วยมีเรื่องเล่าเยอะแต่ไม่มีเวลาตัลวงว่าจะเข้ามาดูบนโลกดุนยาใบนี้น่ยเข้ามาทางไหน ทานทองแม่มีอยู่หนทางเดียวทาาอื่นไม่มีครับก็เชิญนี่มันกี่พันปีมาแล้วลวก่กี่ล้านปีมาแล้วอิฮูดีวางแผนจะจะสร้างมนุษย์ทำสำเร็จไหมไม่สำเร็จอต่อมาอยู่ในคานมันดาเนี่ยขลกนมิมบาดิคอีลกินเกิดแล้วเกิดแล้วมาถึง วิวัฒนาการอ่าอาจะอะไรบ้างจากนั้ามาสุติผสมกันอยู่ในคันมานดาสีบวันเป็นก้อนเลือดใช่ไหมนี่ก็คอลลีกอนบ้างคอลกินวิวัฒนาการเปลี่ยนจากนั้นมาเป็นนี่ต้องพัฒนาเรื่องพัฒนาเนี่ใครทํอาอ๋อเองมันไม่ต้องเหนื่อยอยู่เฉยๆพ่อทําอะไรบ้างอยู่เฉยๆ แม่ทำนันให้เล่าให้ฟังอยู่ในท้องแม่เนี่แหละพัฒนาจากน้ามาสุจิผสมกันในมดลูกสี่สิบวันเป็นก้อนเนื้อสี่สิบวันเป็นก้อนเลือดสี่สิวันก้อนเนื้อแล้วเป็นกระดูกแล้วมีเนื้อหุ้มกระดูกเนี่ยรลอนร่อนมาปีกู น, นันมนุษย์มาต้องเหนื่อยเอ็งเหนื่อยกันเพื่มาทำยุด น, น, นู่นเหนื่อยกับการไปมัสยิดนูน่น ในการการให้อภัยคนนั้นในกการทำงานศาสนาเวยๆคนจากอโลดไปเนือไปในเรื่องนุ้นไม่ต้องมาในเรื่องททกเรื่องท้อมไม่ต้องแต่คนก็สับสนลืมลืมหน้าที่ตัวเองว่าอโลร้างมาทำอะไรฟีซุลมาอยู่ในความมืดซุลุมแือว่าความมืดศาลาสินสาม สามมืดอะไรบ้างเป็นเป็นทารกแล้วก็มีอะไรในหุ้มหุ้มหุมทารกนีใช่มอ่ามีทารกมี ม, ม, ก ม, มดลูกแล้วก็มีท้องเดี๋ยวล่อนเล่าให้ฟังเลยแล้วจริงมหมจริงครับไปอยู่ที่อื่นไม่มีทางครับฉะนั้นถ้าจะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยยาใบนี้ผ่านทางเดียวทาง ท้องของมะตัวเองอยู่ในที่สามมื่แล้วใครทำได้ไม่มีใครทำได้สักค น, นอลัลละฮจัดให้กับลาลิกุมุลลอแปลว่านั่นคือนี่แหละอลัลลอฮจัดมนุษย์คนอื่นไม่มีทางครับได้๋าวเาให้ฟังนะ เองจะวางแผนจะมีมีความรู้ขนาดไหนก็ถามเถอะนี่เป็นของอ um ัลลอฮฺญาลีกูมุลลอนี่คือเป็นของพระผู้อภิบาลของสูงเจ้าใครอัลลอฮฺเนี่ยรับบุคคลพระผู้อภิบาลของสูงเจ้าแล้วมุลกูอัลมุลแปลว่าอาณาจักรทั้งหมดนี่เป็นของอัลลอฮฺหมดนี่เล่าในเรื่องท้องอย่างเดียวนะมันก็บอกว่าข้างนอกก็อีกองาน ฉันฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์กลางวันกลางคืนเป็นของอัลลอฮ์หมดเลยละอิละฮะอีละหูไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ฝะอันนาตุสรอฟูนตุสรอไปว่าหันหนะ้าหรือว่าหันไปทางไหนอันนาไปาทางไหนคุณจะหันไปทางไหนอีกทำไมไม่เข้าหาอัลลอฮ์ ห, หันไปทางไหนอธิบายชัดถึงขนาดนี้ยังไม่เข้าใจหรือภาษาก็ยากไม่ไม่เลยยากอธิบายแล้วเข้าใจไ ม, ไม่เข้าใจฉันหันกลับมาหาอัลลอฮเถอะโอ้ค ร, รับบทีน่น้องอายาเดียวนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ยี 10, 10, 15, นะ่สิี่สิบย้านาทีก็เปนแล้วเอาต่อมาครับสกลงว่าคน ถ้าจะให้มาอยู่บนโลกดุนยาไปนี้ผ่านทางไหนผ่านทางทองของแม่ถ้าจะออกจากโลกดุนยาไปนี้มีอยู่กี่ทางทางเดียวเป็นว่าอะไรตายใช่หรือไม่ใช่ถ้าจะอยู่บนโลกดุนยาไปนี้แล้วปลอดภัยจากนรกมีอยู่กี่ทางทางเดียวเหมือนกันจะเข้ามาอยู่บนโลกนี้ก็ทางเดียว จะออกจากโลกนี้ก็มีอยู่ทางเดียวจะอยู่ในโลกดุนยาแบบปลอดภัยก็อาคือเราปลอดภัยก็มีอยู่ทางเดียวคืออัลลอฮรอซูลฺสุนนะนาบีท่านนั่นเองครับอย่างอื่นไม่มีครับไม่มีทางครับาต่อมาครับ <c oughs> อายะที่เจ็อินตัคฟรุฟะอินัลลอฮฺวนียุนอันกุม ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكرو يرضى لكم ولا تزروا أزرة و ْ ر ا ر أ ُ خ ر ى س ُ م ِّ إلى ربكم م ر ج ع ء ك م ف َ ي ُ ن َ ب ِّ ئ ُ ك ُ م بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ا ل ص ُّ ل ُ و ر ِ إ ِ ن تَخْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ ع َ ن ك ُ م ْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ و َ إ ِ ن ت َْ ك ُ ر ُ ي َ ر ْ ب َ ه ُ لَكُمْ وَلَا ت َ ز ُِ و ا بِرَضُونِ ذَرَأُ خَرَأٌ ُ ن َّ إلَى رَبِّكُمْ م َ ر ج َ ع ُ ك م ْ ف ََ ي ُ ن َ ب ِ ب ُِ ك م بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ <c oughs> อินนั่วอัลกุลมุบิลาตุสุลูอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้พูดถึงการพระยศต่ออัลลอฮ์เนี่ยได้อะไร <c oughs> กับทาตัวให้อัลลอฮ์พึงพอใจเนี่ยทำยังไงมาดูสัพ์อินตักฟุูถ้าหากสูงเจ้าอินแปลว่าถ้าหาก ตักฟูรู้แปลว่าสูเจ้าเนรคุณกุฟอดกาเฟตแปลว่าเนรคุณถ้าหากสูเจ้าเนรคุณ อ, อัลลออุสาอะไรนะสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์กลางวันกลางคืนให้สัตว์มาจากชั้นฟ้าอีกสี่ตัวแปดคู่ใช่หมไ้สี่ตัวสี่คู่สี่คู่คแปดตัว แพะแกะปูอะไรนะาวาัวต่ากี้เป็นต้นยังมุทาริยตอออีกอ่ะไม่เห็นอ่ะอินตักฟูรุท่าทางทั้งหลายในเราคุณสวัสดีอัลลอฮ์แท้จินอัลลอฮเนี่ยวันนียนุนแปลว่าวันี้เดินไม่ว่าร่ำรวยอัลลอฮ์ไม่พึ่งอังกงไม่พึ่งสู่เจ้า อธิบายอย่างนี้คนทั้งโลกนี้ถ้าไม่เอาเอาลัลลอฮ์เลยเอลัลลอฮ์ก็ยังให้แพ็มาเหมือนเดิมนั่นแหละให้อุดมาเหมือนเดิมแล้วก็ให้คุณมีบ้านมีที่ดินมีภรรยามีลูกมีตําแหน่งมีชื่อเสียงเหมือนเดิมพออัลลอฮ์สัญญาในกระพีคุณอ่านอาลัลลอฮ์เนี่ยก่อซ้ำงาใบานะฮุมมาอีซาตะฮุมฟิลไฮะติดดุนยาอาลัลลอฮ์ได้จัดสรร การเป็นอยู่บนโลกใบนี้ให้กับมนุษย์หมดเลยจะเอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์ เ, ออเชิญตามสบายแล้วก็วารฟ า, นะ า, าหน้าบาอุฮุมเฝ้าก็บาอดินตัดรัชญาแล้วก็ยกคนเนี่ยให้บางคนให้เป็นเป็นอะไรนะเป็นแบบฟาโรนะ่เป็นอะไรเป็นกษัตริย์บางคนเป็นขามานเป็นกอรูนมีไหมมีก็ขามานเป็นข้าราชการระดับหนึ่งเลยรับใช้กษัตริย์ฟาโร่ รุ่มหาเศรษฐีมากเลยร่ํารวยมากอาลัลลอยกเอาเอาไปบางคนเป็นผู้ว่าบางคนเป็นสจสนู่นสอนี่เห็นไหมเป็นสว่าเชิดอัอลลอยกหมดเลยลืมอัลลอฮ์อินตักฟูรูแต่หาท่านทั้งหลายนี่เนรคุณอลัลลอฮ์ไม่มีใครเอาเอาลัลลอฮ์เลยไปสูญต่อสิ่งอื่นหมดเลยสุญต่อตะเกียบหมดเลย ไปหาตัวตะเกียบุเลยไม่พึ่งอัลลอฮ์เลยเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์เป็นไงซาอินอัลลอฮ์ก่อนนี้ยุนอั้ตุกอัลลอฮ์ไม่พึ่งกคุเนี่เล่าให้ฟังต่อมาครับวายะยา ร, ยรอรีบอไปว่าพึงพอใจรีบอไปพึงพอใจบรนดาซอบาลบดุลเลาะฮ์ดยัลลอฮูอัลฮูมใช่ไหม อ บ, บูบาก่อุมารุสมานาลีและอีกซาบะ อ, อีกเป็นแสนเนี่ยอัลลอฮฺพึงพอใจเพราะอะไรเพราะเขาเดินตามนาบีได้ไปสวรรค์กันหมดแต่ใ น, นอัลลอฮ์เล่านะลายรรอัลลอฮ์ไม่พอใจอะไรไอบาดีเบาของพระองค์ที่อัลกุฟรอดที่เนรคุณอัลลอฮ์ไม่พอใจครับเบาวที่เนระคุณต่อเรา แต่ไม่พอใจนะให้มาให้เหมือนก็พอใจเลยแหละอ้าวเอามีอบไยบางคนมีสี่คนบางคนมีเป็นสิบที่นบีกำหนดนะกี่คนสี่เองมีตั้งสิบคนเอาไปเดี๋ยวรถตัดสินเองเองทำผิดนะ่นนี่ <c oughs> เห้มั้ยให้ทีดินรอยไร่พันไร่เอาไปเลยให้นูนให้นี้ให้อล้อไม่จะตัดเงินเดือนใครเลยทั้งทั้งที่ไม่สูดอยู่ต่ออล้อแน่แหละเอาไปเลยทีดินสวนไร่นาะแพะแกะวัวควายเอาไปเลยให้กี่วัน <c oughs> กี่วันจนกว่าคุณจะตายใช่หรือไม่ใช่เอาตาแลกพาไปได้ไั้ย ที่เราไปฝังญาติพี่น้องเราเนะพาอะไรไปนึกอุตส่าห์อยู่บนดุจยานี่ตัวเป็นเกลียวเลยนะหาเงิน <c oughs> าหาหาโน่นหานี่จนกระทั่งไม่มีเวลาละหมาดนี้มันเยอะมากครับเวลาเราฝังพี่น้องเราใจมันนึกไอ้คนนี้ไม่เคยละหมาดเลยหาเงินตัง้งแต่เช้ากลับมาสองทุ่มมาถึงก็มานอน ไม่เคยลุกขึ้นนมาตะฮัดจุดเลยหฮาเวลาไม่เคยนมาอัลลอฮ์ก็ให้รีสกีใช่ไหมไม่เคยทําให้บ้านมันเล็กลงใหญ่ขึ้นรถก็มากขึ้นอลลอฮลูกน้องก็มากขึ้นเอาไปเลยแต่ให้กี่โลกโลกเดียวพอตายภาพวิญญาณออกจากร่างเจอเลยอียาอัลลอฮ์ฉันขอกลับมาแก้ตัวบนโลกดุลยามาจะมาขอนมานมาทํางานศาสนาแล้วไม่เอาแล้ หมดสิอต่อมาครับเวลายรงรอคนที่อโลไม่สงพอใจอีบารีบาวของพระองค์ที่กุฟที่ไรนะที่ทรยศต่อหรอกธนยศไปเถอะไม่นมาดไม่สูดยู่ไม่อ่านกุรอ่านไม่ยึกรวปธรรมไปเถอะริสกีไม่ตัดให้เหมือนเดิมอต่อมาครับ ว่อินตาสุรุท่าหาสุเจ้าในนังชุกฤษปรัต ก, กตันอยู่ย า, บาลบบูละภุมอัลลอฮ์ก็จะทรงปิติยินดีพึงพอใจสูเจ้าถ้าชุกฤษต่ออัลลอ์เสียอัลลอฮ์จะยินดีแต่ไม่ได้ให้รวยกับคนกาฟนเฟนรถแต่ใจมันสบายอัลลอฮ์อากรสังเกต คนที่มีอัลลอฮ์นี่นะมีนมาฎหเวลามีอ่านกุรอุอานเรียนศาสนาแบบนี้อีกน่นองที่คุรลุลลอฮ์เนี่ยใจสงบเขาฆ่ากันยิงกันเราเคยไากเคยควักปืนจะฆ่าใันไหมทำไมเราให้อภัยคุณได้เพราะเราเดินตามนาบีก็เดินตามนาบีก็ขอบคุณอัลลอฮ์รูร้เป่าวันที่นบีมุฮัมมัดนบีถูกถูกด่าเยอะนะ คนที่ด่านะเบี๋นี่เขาญาตินะเบี๋ยหมดเลยมีอยู่คนหนึ่งชื่ออบูสุบยาต่อมามารับอิสลามอบูสุบยานี่ประกาศที่นครมุกกามีชายอยู่คนหนึ่งประกาศก็ที่นครมุกกาที่ชาบูเรสนะมีชายอยู่คนหนึ่งระวังไอ้ดีนะเวลาชาบูนี้ เ, นเดินตามหลังคุณนะคุณต้องรีบเดินไปเลยนะอย่า ใ, ให้มันเดิน ตามทันนะเราเวลามันยิ้มเนยอย่ายิ้มตอบมันนะันหน้าไปทั้งอื่นอย่าไปคุยกับมันเวลามันให้ของอย่ารับเขาถามว่าใครนะคนนั้นใครห้ามตั้งสามสี่เรื่อง <c oughs> ก็มุขมัดน่ยโอ้เป็นยังไงอะ่ะถ้ามันคุยกับใครนะมารยาทมันงา ม, มา ดามันมันก็ยิ้มมันให้อภัยคนพูดจานิ่มนวลให้อภัยกับคนคนยอมแพ้หมดเลย อ, อย่างงานน บ, บีเดินผ่านผู้หญิงบ้านผู้หญิงหลังหนึ่งใช่ไถูกอะไรถูกขยะโยนใส่ศิสารน บ, บีน บ, บีทำไงสี่วันห้าวันโยนขยะใส่สิสารน บ, บีพอวันที่ห้าที่หกวันที่เจ็ด ขยะไม่มีนบีทำไงถามว่าบ้านนี้ไปไหนแล้วก็ขออนุญาตไปเยี่ยมใช่ไหมที่เราที่เราได้ยินมาได้รู้มานะเยี่ยมทำไมอ่ะนี่งามมารยาทงามแบบนี้นะเราะคนนี้ขอบคุณอัลลอ์ถูกรังแกขนาดไหนก็ตามไม่เคยทรยศ ต, ต่ออัลลอ์เลยมีเข้าหาอัลลอ์แต่คนรับอิสลามเพราะอักลากของท่านนาบีวันนี้เราก็เหมือนกันต้องการจะเผยแผ่ อ, อิสลามเปล่าทาเถอะ เคยแพ้อิสรามพูดจาดีๆกับภรรยาก่อนพูดจาดีๆกับลูกๆพูดจากับคนรอบข้างดีๆกับเพื่อนบ้านกับพ่อกับแม่ขอเล่าใหม่มีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุแทบเก็แบแปดขวบแถกมาที่บ้านคุณแม่ก็ทําอาหารอย่างดีเลยลูกมันก็เล่ น, นบอลบอลเล็กๆกันนะมันตกไปอยู่หนใ น, ในถาดนะนะแยงมันก็กระจายเนี่ย มโหนะแตใช้ภา ษ, าษาดีขอดทวาตอเลาะให้ลูกฉันเป็นอิหม่ามมัสยิดมะกา ก, กับมดินาไ้เป็นจริงๆไงท่านครับแทนที่จะด่าลูกกับชมลูกเอามารยานี่มาจากไหน้อมาจากไหนมาจากนาบีมุฮัมมัดเนี่ยอัสวะบานาบีก็เหมือนกันเดินตามนาบีหมดเลยสงานา อ, อิสลามถึงเจริญมาถึงวันนี้เพราะ อัคลากษมณ์นบีและอัคลากษมณบรันรดาสหบาห์มท่านนาบีครับนี่อิสลามครับท่านเรามาเรียนศาสนานเพื่ออิสล่าตัวเองนะปรับปรุงตัวเองนะอย่าไป น, นึกคนอื่นถ้าเ น, นึกก็นึกถึงภรรยาลูกหลานคนในบ้านก่อนแล้วก็ญาติี่น้องเราแมาป่ปะเราพี่เรานพี่เรา<ม>ค่อยคุยไปน้องแน่นอนถูกดามไหมถูก <c oughs> แต่ถ้อดทนอาต่นมาครับ ว่ลาตาซิรวาซีรตุนวิซร์อัคราลาแปลว่าไม่มีลาตาซิรรับภาระรับภาระไม่มีการรับภาระวาเลระดุนผู้แบกภาระวิซรอการแบกอุครอของคนอื่นเราจะมายไงคนอื่นจะมารับภาระ แบกความผิดของคนอื่นไม่ได้ความดีที่เขาทาก็เหมือนกันใครทำใครได้ความชั่วก็เหมือนกันใครทำใครได้ใครไม่ทำไม่ได้จะมารับพระราชแท น, นกันได้ไหมได้มีอุศา ส, สนาหนึ่งที่รับพระราชแทนกันได้ศาสนาอะไร <laughs> เขาเรียกว่าไถาอะไรไถาบาปใครศาสนาไหนคิดเองผมไม่มพูด นบีอิสามาถ่ายบาปใครบอกในกราฟูพชัและดารซูโรอาดิรตุลวิสรอุครอไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดมาถ่ายบาปให้อีกคนมาสอนให้เปลี่ยนอันนี้ได้ทำงี้สิทำางี้สิแต่ตัวเองจะไปถ่ายได้ไม้มไม่มีสิทธิ์ครับเพราะตัวขายตัวมันเป็นยังงครับนี่อากีดะครับอันีอายาเนี้เตือนนะคนทั้งโลกเลยนะ มนุษย์ไม่สามารถที่จะไปรับรับอะไรนะรับความผิดของใครนะได้มาอยู่ชั้นนี้บอชรับไปชอบเองใครบอกไม่มีทางครับเอาต่อมาครับสุมามอิลาลบีกุมมาระเดียวกุมหลังจากนั้นยังพระองค์ที่สูงเจ้าจะต้องกลับสู่ต้องตาย ตัวรังว่าการออกจากโลกดุนยาใบนี้มีอยู่กี่ทางทางเดียวคือตายอย่างเดียวครับจะเข้ามาผ่านทางเดียวจะตายถ้าจะจากโลกดุนยาใบนี้มีอยู่ทางเดียวไหมกี่ทางทางเดียวทางไหนาทางตายพอตายภาพก็มาเอาไว้แล้วจะฝังหมดฝังหมดแล้จริงั้มจริงทั่วโลกทำไปหมดเลยเดินตามหมดเลย พอตายนไครับฟไยูนับดีอุกุมเราก็จะแจ้งให้สุขเจ้ารู้บิมาคุณตุมตามาลูในสิ่งที่สุขเจ้าได้ประกอบเอาไว้เนี่ยกลัวกลัวไหมหน่ากลัวนะครับตายแล้วเลาจะเล่าเรื่องของคุณที่ถามไว้ให้สุเจ้ารู้นัดตาแตกไหมตายแล้วตายเลยไหมไม่เลยครับ ตาแล้วอัลลอฮฺจะเล่าให้คุณฟังคุณที่ทํำมาไว้อหนี้ผิดนะเห็นเห็นด้วยตาเลยแหละเห็นด้วยใจแล้วอัลลอฮความตายมาในฉันรู้หมดเลยที่ที่ผ่านพานยุบนดุนยาเนี่นะเสียใจนะ่าดูเลยคนที่แฮปปี้มีไหมมีอย่างพวกเราเนะี่ยแฮปปี้อินชาอัลลอฮฺนะนอนอยู่ในกูโบ่ก็เจอมาเลยก้ามาแบบสบายใจเลยไปเนาะแต่คนที่เสียใจมีไหมมีครับ อินนออัลีมุบิฎที่สุดูดแท็จยิงพระองค์อลลีผู้ทรงรับรู้นี่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์บิ์ที่อยู่ในสุดูดหัวอกอยู่ในใจมนุษย์นะอรรรู้หมดเลยนึกอะไรตอนนี้ก็รู้เ <c oughs> อาต่อมาหาญาที่ลที่ที่แปดโอ้เวลาจำกัดจริงๆนะ วَาแล้วมักษาُินชาหน้าจระรุณาเรบบหูมุนิบันอิเลยซุ่มมิได้เขّ ه ُหูนิอัมَาตมิหนَูัْียะมِแก ي ยาดงِิเล ق ิมิ ل กับَุวَ่จะแลลิอัลลอ د َ ا د ًด ل ِาลิอุบิลลัล سَبِيلِهِ ق ل ط م ا ط تعبيك ف ر ي ق َ ق ل ي ل ا إنك من أصحاب النار وإذا مس الإنسان ضر دع ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة من نسيها م ا ك ้านัยَดَางื่อนัย์นัยَ ق ั ل ลัวจ ا ِ่ัลัลัลัลัลัลัลั ا ب ลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลั ك ัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัล อินสานมนุษย์ดอรุนความทุกข์หรือความเดือดร้อนเนี่ยเราเล่ากังมนุษย์ทุกคนในโลกเนี้เวลาความทุกข์ความลำบากอะไรบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์จะมีอยู่สี่อย่างนะหนึ่งเกิดกับตัวเองสองเกิดกับคนรอบข้าง อ๋อสำคัญมากนะหนึ่งเกิดกับตัวเองสองเกิดกับคนรอบข้าง3เกิดกับอะไรนะรีสอร์ทนน้อยบา้า น, น, น, น, นมันมีนมนอยู่จนอันที่4เกิดเนี่ยรวมกันหมดเลยทั้งโลกตั้งโรคโควิดหนึ่งเกิดเกิดเกิดกับตัวเอง เจ็บไข้ไม่ปวดไม่ไข้บ้างที่ไม่ปวย <g ül> คตรนาสีผมไปข้างนอกมาเจอคนเยอะก็นั่งคุยกัน <g ül> จานคี่อขอตัวนหน่อยกี่โรคห้าผมรู้แล้วาขมา <g ül> ันเบาหวา <g ül> <g ül> นนี่แล้วก็รอบตัวอหละครอบครัวอหละเรื่องริสกี้อิละแล้วก็เรื่องอเรื่องสังคมอีละพี่น้องเนี่ยถูกทดสอบสีอย่าง อาที น, นี้เมื่อถูกทดลองจเป็นไงครับดาโร บ, บาวเขาจะอะไรนะขอวิงวอนพระผู้อาภิบาลของเขามูนีบันเป็นผู้หันสู่อัลลอฮ์หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ตอนลำบากมนุษย์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเข้าหาอัลลอฮ์หมดเลยเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช่หรือไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิท์ทั้งหลายช่วยน้อยเราจนๆเข้าอัลลอฮ์มุสลิมสิ่สสเออต้นงต้นไม้เอาหมดดนลงดูเลขผ่านหวยก็มีแต่มุมินไม่มีใครทําครับมุหมินผ่านนามาดครับผ่านสุอยู่ต่ออัลลอฮ์ครับผ่านการอาบ น, น้ำนามาดผ่านการอ่านอัลกุรอานในมุหมินแต่คนกาเฟ่ในผ่านอะไรผ่านต้นไม้บ้าง ผานนู้นผ่านผ่านนี้ผ่านานสะานหมดเลยไปเน้องไม่เอาอัลลอฮ์แต่ว่านั่นแหละข้าหาอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นแหละต่อมาครับนิสัยมนุษย์เดิมๆเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์เล่านาะยกเว้นคนอีมานนะอ่าว่าอิดะเขาซุ่มมาอิดาเขาวาเลวูเมื่ออัลลอฮ์อัลาได้ประทานเนื้อมะความโปรดปรานให้ คอยลำบากต่อมาลำบากหายไปมีความโปวดปานเข้ามาแทนต่อไปนาซียจจำให้ดีสับคำนี้ <c oughs> ลืมนี่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังนิสัยมนุษย์เป็นแบบนี้คนไม่เอาศาสนาคนกาเฟตเป็นแบบนี้คนทรยศ ต, ต่ออัลลอก์เป็นแบบนี้ตอนลำบากนึกถึง อ, อัลลอฮ์ พ อ, อล l l a h ขจัดความลำบากไปลืมอันลืมใครมาการายดางอิไลเขาลืมสิ่งที่พวกเขาได้วิงวอนขอต่อพระเจ้ามิงกปริกก่อนหน้านี้คำก่อนเนี่ยเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะขอ Allah ยึยึกยึกยึกยึ ก, ย ก, ย ก, ยก พระเจ้านายสิ่งสรัพสิทธิ์ทั้งหลายช่วยกันหน่อยทถอันแย่แล้วพอ a ล l a h คนอื่นทำไม่ได้ครับ a ลล a h ให้หายไปพอหายดีแข็งแรงดีลืมนี่นิสัยเดิมๆของคนที่ไม่มีศัสนาแต่มุมมต์ไม่ใช่แบบนี้มุมมต์ไหมครับ แล้วก็ต่อมาครับว่าจะอัลลอฮิอันดาจ า, าลาเบวตั้ลิลลาฮิอันดาแต่ว่าคู่แข่งคู่แข่งเทียมอัลลอฮ์ตั้งคู่แข่งเทียมอัลลอฮ์พอสุขภาพแข็งแรงดีมีเงินทองดีหายเจ็บหายไข้ดีนะครับก็เริ่มชิดิกต่ออัลลอฮ์ใหม่ <c oughs> รู้ไหม ไปขอสิ่งอื่นไปวิงวอนสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺจะได้อะไรอัลลอฮฺอธิบายให้ฟังนีอยู่วิ่งล่ะทาให้เขาหลงไปยึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺจะอยู่ประเทศไหนก็ตามหลงหมดมีใครเล่าอัลลอฮฺเล่าให้นบีฟังให้พวกเราฟังจะนั้นอย่ายึดสิ่งอื่นยึดสิ่งอื่นน่ะหลงหมดอ่าคนเล่าให้ฟังเลยอบูละฮ์ม ยึดอะไรลุงนบีอบุลฮับเนี่ยเข้าใจผิดว่าไอ้เชื้อสายนี่นะตระกูลเนี่ยช่วยได้ช่วยได้ไหมตกนรกไปแล้วเิรอนยึดตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็มีทหารรักษาพระองค์สาม0 0ืห้าพคนผ่านหร้ไม่ผ่านไม่ผ่านยังยังครับ ไม่รอดนะเอามาดูกรูนเข้าใจว่าเงินเยอะยึดเงินเป็นตัวช่วยช่วยได้ไหมอัลลอ์ให้แผ่นดินสูบเงินและคารือหาสของเขาจมหมดเลยเห็นไหงครับฮามานตำแหน่งข้าราชการดูแลอะไรโครงการต่างๆของของของของกษัตริย์นึกว่าจะรอดรอดรอได้ไหมรอดไม่รอดครับเอามาดูคนที่ยึดอัลลอ ท่านบิลารดยอลของอันดูมาจากประเทศไหนประเทศทาร์บาชะผิวขาวหรือผิวดำผิวดำนึงคนฝรั่งเขาแอมตี้คนผิวดำกันนะแต่ซน่าบิลาเนี่ยรับอิสลามแล้วก็ได้ตำแหน่งอะไรตำแหน่งอาณาอัลล์กับอัลลอฮับบันบีขึ้นแมรุสยบรีพาไปในสวรรค์เจอเซน่าบิลลาเดินอยู่ข้างหน้านบีในสวรรค์ คือในสวรรค์เห็นยังครับตําแหน่งอะไรเงินก็ไม่มีครอบครัวใหญ่ก็ไม่ไ ม, มีแล้วก็ตระกูลก็ไม่ไมีมาจากประเทศอื่นนะมาอยู่กับนบีนะแต่จนด้วยจะได้ไปนะจะ ไ, ไปสวรรค์เพราะอะไรครับเพราะอิมานต่ออร่อยอย่างเดียวแล้วก็เดินตามสุนนะนบีนบีทําอะไรทามทาตามนบีฉะนั้น อัลลอฮ์กับรอซูลเป็นตัวประกันให้ไปสวรรค์ไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่เกียรติยศไม่ใช่พี่น้องหลงผิดทุกวันนี้ถูกหลงถูกลอแกันพี่น้องอต่อมาครับใครคนนะคกับซัลมาหอัลฟา ฟ, าฟารีสีใช่ไหอีมานต่ออัลลอ์อย่างเดียวไม่มีอะไรเลยไปสวรรค์ได้ไหมได้ถ้าพึ่งอัลลอ์ อบูละฮับอบูยะฮันฟิรอูนกอรูนฮามานพึ่งวัตถุรอดหรือไม่รอดเนี่ยสอนพวกเราวันนี้สอนนบีมุฮัมมัดเราสอนคนที่อ่านอันกุรอานอย่าหลงวัตถุ น, นะครับเราต่อมาครับถ้าหลงแล้วเป็นไงครับเราบอกว่ากุลมุฮัมมัดเอ๋ยจงบอกพี่น้องนบีที่แอนตี้อิสลามเนี่ยตามัตตาจงหาความสุข จงกินไปจงนอนไปจนเข้าบาไปจงเที่ยวผูหญิงไปด่าคนนั่นไปด่าคนนี้ไปเวลามโหก็ต่อยหน้าคนก็เชิญตามสบายเลยบิกุฟริก้ด้วยการปฏิเสธของท่านให้มน บ, บีไปสอนเชิญตามถ้าไม่เชื่อฉันนะชีวิตแบบทรยศต่อร้อนี่แหละกีวันดุกรานกอลีลัน เล็ก น, น้อยเห็นหมมีความสุขบนดุนยอย่ทาทำทําตามใจตัวเองอย่าทำตามใจอัลลอฮ์กวันกอลิลันอัลละฮ์คำว่ากอลิลัปไงจนกว่าคุณจะตายอ้าวถ้าอตอนนี้อายุห0สิบอย่างนี้ก็อายุ8ปสิบตายใช่ไหมคนมีความสุขแค่ย0สบปี เอาไปเลยยี่สปีจะกินแพสกี่ร้อยตัวจะเอาผู้หญิงมานอนกอดไม่ต้องแต่งงานอีกสองรอคนเธอเลยไม่ต้องแต่งงานด้วยเอาไปเลยนี่อล่อยเล่าเนี่ยดาร้ชมไม่รู้นะกุลตะมัตตาิกุฟริก็อลีลันอะไรนะจงแสวงหาความบันเทิงความสุขสบายใช้ชีวิตตามใจชอบของท่านเธอตราบเท่าที่ท่าน ตายตลงว่าจะออกจากโลกดุนยาไปนี้มีอยู่กี่ทางทางเดียวทางไหนทางตายอย่างอื่นไม่มีครับพอตายแล้วไปไหนครับบารอนเล่าให้ฟังควูจมึน่นอินนา ก, กะแท้จริงท่านมินอัสชาเป็นคนหนึ่งจากชาวอานาชชาวอะไรชาวนารโขแค่ไหนชายชีวิตสบายชายชีวิตแบบตามใจตัวเองพอตายไปไหน ง่ายมากครับอัลลอ ن ฺพี่น้องหมดเวลามอีกนิดนึงอัมมันหัวกอนิตุนอานาอัลไลดิษะดิการ์กอออมายะหลาลุลัยคราตาวยาจูรหะมะต์รับบิุ้ลฮัลยสตาวิลลีนยะลมน والذين لا يعلمون إنما يتذكر أول الألباب ا ل ل ه أكبر أ م َّ ن ه ق ا ن ٌ أنا الليل ساددا وقائما يحلر الآخرة ويرجوا رحمت ر ب ه กล่าวเล่าเรื่องสิ่งคุณ ค, ค, คนกาแ ฟ, ฟจบใช่ไหมหาความสุขหาความสบายใช่ไหมก่อลีลันเล็กน้อยอายานี้ชีวิตของผู้ศรัทธาต่อองค์ไม่เหมือนกับคนกาแ ฟ, ฟ อ, ไไอัลลอฮ์ไรู้ไอามันอามนึ่งคำหนึ่งมันแต่ว่าอีกคำหนึ่งอามดตว่าหรือมันแตว่าใครผู้ใดใครก็าตามที่กอนิตุนที่ภาคดีต่ออัลลอฮ์คำว่าภาคดีหมายถึงยืนนามาดนะแบบคุช่วยืนเนี่ยเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ด้วยกอนิตหรือแปลว่ายืนนามาดก็ได้ ยืนตอนไหนครับอาณาอไัไลอาณาแปลว่าช่วงเวลาอนันไลิกลางคืนช่วงเวลากลางคืนนี่ผู้ศรัทธาต่อลองไม่ได้ไปบาร์ไม่ได้เข้าคลับไม่ได้ไปเต้นรำร้องเพลงโควิดนี่ช่วยไหมให้เข้าบาร์นะถ้าโควิดไม่มานบาร์แน่นนะ กเปัสเตอร์ไปแล้วโอเคแต่แค่นีน้ดเดียวพออ ม, มันวกอนตุนอานะอะนี่นี่อัลลอฮ์สอนนบีแล้วสอนผู้ศรัทธาต่อลชีวิตของผู้ศรัทธาต่อลกลางคืนให้ทาไงครับซาจิดันทอะไรสุูนี่เป็นลักษณะของผู้ศรัทธาต่อลอไม่ใช่คนกันบแสาใจไม อยู่ในบ้านเราอยู่ในห้องเราออกมาโซราไม่ได้อยู่ในบ้านธรรมาดาท่าอาจารท่าสุดจะเออรเออร์สุยุก่อนนะแสดงว่าสุยุกนะเป็นท่าที่อรรถพอใจที่สุดนะแล้วก็อีกท่าหนึ่งกออีมันยืนท่านามาตครับตอนไหนตอนกลางคืนอา้าวช่วงไหนนึกเองก็ได้เนี่ยที่นบิซ้อนตีสาม ตีสองครึ่ามอลัลลอฮ์รักมากลุกขึ้นนมาดระวังนมานะนึกอะไรใจลอยไหมยะกาลุลอาคีรอกลัวกาลงโทษในโลกอาคีรอไอ้ยังในน้มานึกอย่างเดียวอลัลลอฮ์จะวันเกียรตฉันกลัวกาลงโทษนึกอย่างนี้แหละนี่อลัลลอฮ์สอน บางคนนึกซีคอนนึกรถนึกนุ่นนึกอย่าไปนึกนึกอะไรอย่าจะรู้คือเรานึกกลัวการลงโทษของอัลลอฮฺในโลกอาข้อมันแบบนี้นมาเสียไหมไม่เสียครับเพราะเดินตามอุปาเลย่ะแล้วกําลังยืนนมาอยู่กําลังสวดหยุดนึกอะไรอ่านอ่านอุอาก่อนอ่ารับยันอัลลอฮอัลลอฮจัฉันกลัวการลงโทษของอัลลอฮฺในวันเกี้ยมากร้องไห้ด้วยไปน้อง สักสบนาทีดีได้ไม่ดีเดินตามกุรณาเลยขณะหมายเบาอ่าไม่แตกไม่แตพกพอกรนีพอไว ah ้ยอดยูรอหมาตอรอบียอดยู่เบว่าหวังรอหมัความเมตตารอห์มรตอัลลอฮฺผู้อับานของเขาหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺกลัวการลงโทษหวังความดีที่ทำที่นำมาคืนนี้อัลลอฮฺได้ประทานความเมตตาให้แก่ฉันไปเถิด ใจนึกสองอย่างหนึ่งกลัวการลงโทษสองหวังรางวัลตอบแทนตลอดนมาเสียไหมไม่เสียใจกูช่วเพิ่มขึ้นนะ่ะท่านนึกสองอย่างในใจกูช่วยไม้มนี่ไงหัวใจกูช่วในนมาม น, นึกแค่นี้แหละกลัวการลงโทษอาสาเปิดทางไว้กับหวังความเมตตาความดีที่ธรรมนึกถึงอรลถมาต่อมาครับอรรถถามกุลมัหาเดชจงประกาศฮัลยัสตาวิลลาธีนายาลามุน ยาลามมาพู้ที่รู้คนเรียนมานั่งเรียนตับเสตเนี่ยหรือฟังตับเสตอยู่ที่บ้านเนี่ยเท่ากันเหรอวัน ล, ละนี่นั่นละยา ล, ละคนที่ไม่เรียนคนที่ไม่รู้เนี่ยเท่ากันไหมกับคนรู้ไม่เท่ากันครับคนที่มี إ ม م ا ن ต่อรอดกับไม่อิมานต่อรอดเท่ากันไหมไม่เท่าคนที่เข้าใจอิสลามกับไม่เข้าใจอิสลามเท่ากันไหมไม่เท่ากัน คนที่กลัวอลัลละอฮฺจะไม่กลัวอลัลลอฮฺเท่ากันไหมไม่เท่าเปพยายามเทัารร ม, มัดไปช้อน <c oughs> ต่อมาครับยักษ์ภาษสุดทยอินนามาญาตารักการูรุลอัลเบออินนามาแปลว่าแท้จริงเป็นเพียงญาตารักก็ผู้ไข้ครวน อูลอัลบาผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นแหละที่จะไขขัวที่จะนึกเรื่องนี้นี่ยคนที่มีปัญญาเท่านั้นตกลงว่าคนที่จบด็อกเตอร์เนะี่ยทำไมรู้จัก อ, อัลลอฮ์เนี่ยมีปัญญาป่าวฝ <c oughs> ุดแรงไปหรือเปล่าให้เ <c oughs> งน้นฉะนั้นคนบ้านๆธรรมดาแค่อ่านกูร์านออกรู้ความหมายกูรา์านอัลลอฮ์ชมว่าไงอูลุลอัลบาคนที่ฉลาด ไรนะคนที่มีปัญญาอลัลลอฮฺอับาร์ฉะนั้นยะฮูดียมันก็ได้พวกมุสลิมพวกกอ่อการได้มันรู้มันอ่านกูอ่านเจอว่าอลัลลอฮฺเนี่ยชมผู้ศรัทธาต่ อ, อลัลลอฮฺฉะนั้นฉันต้องทําลายมุสลิมต้องพูดตรงกัที่อัอลลอฮฺสัง่งอลัลลอฮฺว่าชมมาเองนะผู้มีปัญญากูจะผู้รวมมึงผู้กอ่อการละมันจะทำไมเพราะว่าไปนี่มาว่าอะไรเห็นอย่างครับ س ب ح ا ن ا ل ل ه م أ و ب ي ح م د ي ب ا و ؤ ل ا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. فوالله وعلي محمد وعلي علي وصبيه أجمعين الحمد لله رب العالمين.